2CART Exhibition 2018 หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์มทอรศรีวิชยัยได้จากโครงการแสดงศิละปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่4โครงการ Southern to a r t t e s i s Exhibition 2018และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธหนุ่ยเนียมรักษาราชการแทนอธิกา ร, รบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยพลโทสุริยะสมิทิประธานกรรมการบริษัทโ ร, รงพยาบาลศิริขรินหัดใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในโครงการโดยมีอาจารย์ปียพรธุ ร, รกิจจำนงคณะบดีคณะสถา ปัตยกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้นาอาร์ตมิวสงขลาอาร์ตเซ็นเตอร์หอศิลป์สงขลาการเคหะแห่งชาติพร้อมรื้อถอนแฝดดินแดงต่อหลังเกิดเหตุอาคารถลม่มระบุชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายแล้วดอกเตอร์ทัชพลการจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือกคออชอเปิดเผยถึงความคืบหน้าอาคารเคหะชุมชนดินแดงแฟลต 18-20 ถึงซึ่งอยู่ระหว่างรื้อถอนตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2ถล่มลงมาเมื่อวันที่สองเมษายนและได้ยุติการรื้อถอนเพื่อตรวจสอบระบบต่างๆว่าหลังจากที่กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุพบเป็นเรื่องทางเทคนิค เนื่องจากสภาพอาคารเก่าสุดโทมขณะเดียวกันคณะกรรมการแก้ไขสิ่งแวดล้อมก็ได้ส่งทีมเข้าไปตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและจะประชุมในวันที่18เมษายนนี้เพื่อพิจารนาว่าจะสามารถกำหนดให้หรื้อถอนได้ต่อไปเมื่อใดหรือให้มีการปรับเพิ่มมาตรการอย่างไรโดยทางกอคอชอก็เตรียมพร้อมดาเนินการอย่างเต็มที่ หากคณะกรรมการมีมติให้หรื้อถอนต่อไปได้จะทําให้โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่สองสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามแผนส่วนผู้รับเหมาการรื้อถอนยังเป็นบริษัทเดิมเนื่องจากผู้รับเหมารายเดิมไม่ได้ดําเนินการอะไรที่ผิดเงื่อนไขจากสัญญาและได้รับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายเต็มที่ทั้งนี้กคชอได้มอบเงินชดเชยค่าเสียหาย